ตลอจากนี้ไปเป็นการอบรมทมวัดเช้าเรื่องปัญญาสร้างพลังโดยพ่อท่านโพทิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัด น, นี้ค่ะ ก็มาทบทวนธรรม ะ, ะเพราะว่าการมีชีวิตของพวกเรานผนี่ใดที่มีปัญญาความมีปัญญาหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจความเข้าใจในปีมปัญญาหรือมียานเข้าใจมันจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆ ปัญญาจะเสริจไม่เกิดศรัทธาคือเกิดความเชื่อเชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดสตินรียสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดที่จิตจริงๆเลยเป็นอินทรีย์เป็นพร ะ, ะมีลักษณะที่มันต่างกันมีลิงคะเราอ่าน จิตเจตสิกของเราได้รู้อาการลิงคะนิมิตรู้นามรูปต่างๆว่ามันมีลักษณะอาการที่เจริญหรือเสื่อมเราอ่านจิตใจของเราได้ตรวจสอบบมเพนิวาสานุสติดูความเกิดความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปหรือถ้าดับ ก็ไปเรียกเอาส่วนที่มันควรจะดับคือกิเลสหรือว่าจิตที่มันเป็นพพเป็นชาติถ้ามันเป็นพพเป็นชาติตามที่เรารู้ว่านี่มันเป็นชาติมันเกิดอยู่นะจิตเราอย่างนี้เกิดอยู่หรือกิเลสนั่นแหละไม่ใช่จิตมันก็เกิดอยู่ที่จิตมันเหมือนกับจิตเป็นเจ้าเรือนเลยแล้วเข้าเข้าเข้ามาครอบครองนานมาแล้วอาการมันก็เหมือนกันอาศัยกันเกิด อาการอย่างนั้นเราก็รู้ด้วยนิมิตต่างๆเครื่องหมายต่างๆว่ามันมีสภาพอย่างนั้นและเราก็สามารถทำให้มันลดมันจางมันคลายมันเกิดน้อยลงน้อยลงจนมันตายมันไม่เกิดอาการอย่างนั้นไม่เกิดเราก็มั่นใจชัดเจนยิ่งอาการที่เป็นกิเลสตะนาวปวธานต่างๆมันตายมันไม่เกิด เราก็จะเห็นความสะอาดของจิตหรือความฉลาดความสะอาดของจิตหรือความฉลาดความมีปัญญาความมีญาณมากขึ้นญาณที่เข้าใจสภาพที่เป็นตัวจิตที่สะอาดขึ้นจิตที่ปราศจากกิเลส ข, ขึ้นหรือประสิทธิภาพของ ที่มีความวิจิตมีความเจริญมีความประเสริฐหรือเป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสมันเป็นอารมณ์อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการผัสสะเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งต่างๆหรือมันมั น, ม, น, ม, นมันมีสภาพที่พ้นทุก ลุลุดพ้นจากแอกจากสิ่งที่เราเอง เ, องเราติดเรายึดพวกนี้จะเกิดญาณปัญญาที่จะฉลาดหรือรู้รอบรู้ทั่วรู้พร้อมอาการที่ว่านี่ใช้ภาษาไทยขยายรู้รอบรู้พร้อมรู้ทั่วรู้ลึกรู้ซึงรู้แล้วก็ บ, บอกแล้วว่ามีอินทรีย์ของทางความเชื่อเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่น ยิ่งปฏิบัติได้แล้วก็มีความเชื่อมัน่นมันมั่นอกมั่นใจมันเห็นจริงซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเสริมอินทรีย์เกิดจริงๆมีอินทรีย์อะไรคืออินทรีย์เป็นกําลังของความเชื่อเป็นกําลังของปัญญาที่มันมีฤทธิ์มีอานาจมีความเป็นใหญ่มีอํานาจมีฤทธิ์แรงมีประสิทธิภาพ ที่เจริญขึ้นรู้ก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นศรัทธาก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นมันเจริญมันยิ่งขึ้นมันมีกําลังของความเป็นลักษณะอย่างนั้นลักษณะความเชื่อเป็นอย่างไรลักษณะความเชื่อแล้วมันเชื่อยิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างไรลักษณะปัญญาหรือความฉลาดแล้วมันฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างไรลักษณะ ฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นเราจะรู้อาการเหล่านั้นด้วยญาณของเรา ด, ด้วยจิตวิญญาณนี่แหละตัวจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละที่เป็นนี่มันเป็นขึ้นมายิ่งปฏิบัติยิ่งประพฤติยิ่งมีมรรคมีผลมีผลสูงเท่าใดมันก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังขึ้นมานะแล้วเราก็จะมั่นใจในโล ก, กุตระภูมิโล ก, กุตระภูมิก็คือความเจริญของโล ก, กุตระเป็นภูมิธรรมด้วย เป็นสภาพที่จิตวิญญาณมันเป็นมันอยู่มันเกิดมันอาศัยเรียกว่าภูมิหรือภพภูมิบางทีมีมนัยยะลึกๆ ก, ก็คือความเจริญนะภูมิหมายความถึงความเจริญด้วยต่าก็ได้ด้วยภูมิต่าลงนะภูมิที่ต่าลงก็ได้ด้วยแต่ภูมิเนี่ยมันหมายเอียงไปด้านเจริญถ้าบอกว่าคนมีภูมิ เรา ม, ากมักจะหมายถึงความเจริญไม่ได้บอกคนมีภูมิคือคนโง่เขาเราไม่หมายถึงใช่ไหมเราบอกว่าคนนี้มีภูมินะไปแตะเขนานะอย่าไปดูถูกเขานะมีภูมินะก็แสดงว่าเรามีความเจริญขึ้นทางจิตวิญญาณมีภูมิภพนั่นแหละมีความเจริญของทางจิตวิญญาณ น, นั่นแหละเจริญทางฉลาดเจริญทางความรู้ในโลกเขาก็ใช้หลกๆเขาก็ใช้บอกคนนี้โอ้โหมีภูมินะ อะไรนี่เขาก็ใช้คนไม่มีภูมิหมายความว่าไ ม, ไม่มีความฉลาดไม่มีความรู้หมายถึงพบภูมิที่เจริญขึ้นเพราะงั้นผู้ที่มีโลกกุตรภูมิก็คือมีภูมิเข้าถึงสภาพอยู่เหนือโลกสภาพที่โลกมันเป็นอย่างไรเราก็รู้เราหมุนมุนเวียนโลกก็คือลงนรก ขึ้นสวรรค์อย่างไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแม้เข้าใจแล้วแต่เราก็ไปควบคุมมันไม่ได้ตัดนรกไม่ได้ตัดสวรรค์ไม่ได้ยังเสพสวรรค์ยังทรมานกับนรกอะไรอยู่คือมีทุกข์มีสุขมีความเป็นไปนยางงั้นแหละเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าหลงไหลไปกับไอ้ความที่พอใจสมใจจนกระทั่งเราตัดนรกตัดสวรรค์ ภูมิหรือตัดพบตัดความวนตัดความหมุนวนที่มันจะต้องมีอารมณ์ทางจิตตกนรกขึ้นสวรรค์ตามเหตุปัจจัยที่เราไปตั้งตั้งพบตั้งภูมิอีกแหละตั้งพบตั้งภูมิเป็นตัวอยากหรือผลักเป็นลักษณะของความดูดความผลักเป็นลักษณะของสองด้าน ชอบหรือชังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นเองสมใจก็เป็นสุขไม่สมใจก็เป็นทุกข์จนกระทั่งเราเห็นว่าไม่ต้องไปสมใจอะไรนี่ไม่ต้องไปได้มาหรือไม่ได้มามีอยู่หรือไม่มีอยู่ฐานนี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยอะไรที่ดําเป็นจะต้องไปมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมีก็ได้ มีก็อยู่เนื้อมันเข้าใจจะใช้เป็นประโยชน์จะอาศัยก็อาศัยไปสักแต่ว่าอาศัยไม่ได้ปรุงแต่งไม่ต้องเกิดรสเกิดชาติอะไรจิตใจที่ไม่ต้องมีสวรรค์ไม่มีนรกหรือไม่ชอบไม่ชังไม่พลักไม่ดูดมีก็มีกระทบสัมผัสก็กระทบไปก็ไม่เกิดกิเลส จ, จะยินดียินร้าย ไม่ชอบไม่ชังได้จริงๆอุเบกขาหรืออุทุกขมสุขได้จริงเราก็จะเข้าไปหาอุทุกขมสุขโดยรู้ตัวเองแล้วก็ทำลดละเองจริงๆเลยมีเนคขมะมีการออกจากสภาพนั้นในได้ออกจากภพจากภูมิได้ได้หรือดับภพบดับดับดับภพบจบชาติรู้ว่าไอ้นี่เป็นอุปทานรู้ว่าไอ้นี่เป็นตัญหา ซึ่งอาการอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรรวมมนแล้วก็เรียกว่ากิเลสสภาพกิเลสสภาพที่มันยังไม่ใช่อาการของจิตที่ดีอาการของจิตที่ยังเกิดเป็นความเป็นธาตุมันเกิดความเป็นธาตุเราเนี่แหละเป็นธาตุเราเองเป็นธาตกกิเลสเราเองมีพัสธะก็ เกิดอะไรเกิดปัสสาะแล้วก็เกิดเวทนาเป็นทุกข์เป็นสุขวิเคราะห์ออกได้เมื่อเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วเราก็วิเคราะห์ออกไปหาอีกจากเวทนาในเวทนาว่ามันมีตัณหาอะไรจนกระทั่งมันยึดมันติดอยู่กับอะไรเป็นอุปทานอะไรเข้าใจสภาพองนี้ไม่ใช่มีแต่บัญญัติภาษาแต่เข้าใจอาการเข้าใจสภาพจริงของจิตเจตสิกอย่างแท้จริงแล้วเราก็ ลดละมันได้อย่างจริงจังถ้าเรามีญาณปัญญาอย่างนี้จริงเราปฏิบัติไปเสมอทุกเวลานะมันตำริตรึกนึกคิดขึ้นมาเราก็มีญาณปัญญามีมีจิตที่แววไวมีสติสัพพัญญนะมีการรอบรู้มีเจโตปริยานสามารถอ่านจิตใจของเรา เมื่อเกิดมาปรุงมาแต่งอะไรอย่างไรอย่างไรก็เข้าใจาจะมีกรรมทั้งหลายแหละจะมีอาการที่เป็นอยู่ทุกอาการของจิตไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนทำงานทำการทำอาชีพมีผัสสะต่างๆอยู่มีบทบาทลีลามีกรรมกิริยาเราก็สามารถที่จะอ่านจิตมีญาณมีปริญญา มีความรอบรู้มียาตปริญญามีความรอบรู้ในทุกๆสภาพมีความเชี่ยวชาญในติรณะปริญญาเชี่ยวชาญในตัวจิตติรณ ะ, รณ ะ, รณะเจตสิกตัวจิตที่มันเข้าไปวิจัยไปตรวจสอบในจิตที่มันมีปัจสัต่างๆก็วิจัยได้วิจัยออกมาแล้วก็มีปหารปริญญา มีสิ่งที่เราจะเรียกว่าประหารประหารประธานเนี่าประหารประธานมีตัวที่มันสามารถลดละสิ่งที่ควรลดละเลิกนายคลายอะไรได้ทำลายได้มันก็ทำได้จริงๆ ไม่ว่าเราจะคิดสังกปะไม่ว่าเราจะพูดอยู่ไม่ว่าเราจะทำกรรมกิริยาใดๆอยู่รวมแล้วทั้งคิดทั้งพูดทั้งกรรมกิริยาทางกายทำงานทำการอะไรอยู่งานจ่อยงานใหญ่งานเล็กงานโน้นงานนี้จนกระทั่งถึงงานหลักงานอาชีพงานที่ทำอยู่ประจำชีวิตงานที่เป็นงานสำคัญที่เรารับผิดชอบ เราจะเห็นได้ว่าสูตรหรือทฤษฎีวิเศษของพระเจ้าที่ว่ามังองแปดนี่สมบูรณ์อยู่ในตัวหมดเลยของความเป็นมนุษย์ทั้งเป็นสมณะหรือเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นส า, ส, า ส, าสาวกสาวกสาวสาวกสัง์โคนในระดับผู้บวชถือว่าเป็นสงสาวกที่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมในบวชมาหรือแม้แต่จะเป็นฆรวาสก็ตาม เราสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนไว้แล้วก็มีอาชีพมีงานหลักมีงานสำคัญเป็นงานที่มีประโยชน์คุณค่าหรืองานมีบุญงานมีประโยชน์คุณค่ามีบุญบุญทั้งสองด้านบุญคือคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์หรือบุญที่ แปลก็ให้ลึกซึ้งข้าไปถึงจิตเจแต่สิ่เป็นปรมาทก็คือสภาพของการชําระกิเลสชําระอกุศลชําระทุจริตนี่เป็นผลได้สําหรับประโยชน์ตนอันสูงส่งนอกนั้นก็เป็นบุญที่เราได้ทําที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นบุญจะเป็นทั้งบุญรูปวัตถุธรรมซึ่งเราก็ต้องอาศัยถ้าเราเองเราไม่สร้างสมเราก็กินบุญเก่า ไม่เป็นบุญเก่าก็เป็นหนี้เป็นหนี้ก็คือเราเองไปเป็นภาระคนอื่นสังสมภาระจริงจงสังสมสิ่งที่เราเองเราไปเขาช่วยเราเขาเกือ้อกูลเราตั้งแต่กรรมกริยาไปจนถึงวัตถุให้ข้าวให้น้ํากินให้เงินให้ทองให้ข้าของเครื่องใช้ช่วยเหลือแรงงานอุ่มชู ช่วยแบกช่วยหามช่วยอะไรก็แล้วแต่เขาอุดหนุนจุนเจือเขาช่วยเราทุกด้านก็คือเขาให้เรานั่นเองเขาให้แก่เราให้ตั้งแต่แรงใจไปจนกระทั่งถึงแรงกายแรงวาจาบอกกล่าวช่วยเหลืออะไรก็ได้เป็นกรรมจนกระทั่งให้วัตถุเข้าของทรัพย์สินคารต่างๆ ถ้าเราไม่มีบุญเก่าคือเราก็มีทุนที่เคยเขาเคยเราเคยช่วยเหลือเขาไว้เราเคยให้เขาไว้มันวนเวียนกันอยู่งั้นอนะซับซ้อนปางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มีบุญเก่าไว้มากมายเราก็เป็นหนี้เขาใหม่ถ้าเขาก็ต้องให้เราแล้วเราก็ต้องรับบริการเขาไอ้นี่เรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลยสรุปแล้วก็ลงที่กรรม เรียกว่ากุศลอกุศลจะเรียกว่าบุญว่าบาปจะเรียกว่าสะสมเรามีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นก็คือได้ให้ผู้อื่นเราไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นแต่ผู้อื่นกลับมามีประโยชน์คุณค่าต่อเราและเราก็ต้องรับเป็นผู้รับเ mm hmm. ขาเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับถ้าเราเองเรามีทุนอยู่แล้วคือบุญเก่าเรามีเราก็ยัง พอลบล้างกันได้ที่จึิงมันไม่ได้หักลบ ก, กันหรอกนะมันก็มีอํานาจของสภาพธรรมหรือภาวะธรรมภาวะกรรมที่เกิดถ้าเราไม่มีเราก็เป็นหนี้เราต้องให้เรารยิ่งใช้เหลี่ยมคูขี้โกงมาเป็นนักบวชนี่ก็มีเหลี่ยมโกงเป็นการโกงที่บาปมากกว่าทางทางโลกถ้าเป็นฆราวาสโกงเขาก็ให้อย่างให้อย่างเทรวาส ถ้าเขาให้อย่างเรามาเป็นสมณะแล้วการให้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใส ย, ยกย่องเชิดชูบูชาเป็นการให้อย่างที่มีเป็นค่าของบุญดีเขาให้เขาก็ได้บุญมากเราเองเราเอาถ้าเราเอาอย่างที่เราไม่ไมสมเหมาะไม่เหมาะไม่ควรกับิที่เราไปรับมากับค่าที่เขาให้อย่างมีสมาคาระวะ นีการจัดทธาเลื่อมใสเคารพนับถือบูชายกย่องเรารับมาอย่างหลอกหรือรับมาอย่างที่เรีาว่าไม่คุ้มทําอะไรไม่เหมาะไม่สมที่เขาจะยกย่องเชิดชูบูชากราบไหว้ราคาบุญที่เขาให้ก็แพงราคาบาปที่เราเองไม่เหมาะสมมันก็แพงเหมือนกันราคาบาปราคาบุญนี่แพงเพราะมาอยู่ในฐานะที่เขา เต็มใจให้ยิ่งเบลที่สุดได้ศรัทธามากเท่าใดเขาให้ได้ศรัทธายกย่อ ง, องเอชิดชูนับถือมากบุญเขาก็ได้มากจริงๆค่าของราคาบุญนั้นก็มากเราเองยิ่งมีเชิงหลอกหรือมีเชิงที่จะมีประโยชน์คุณค่าตอบแทนแก่เขาไม่คุ้มกันโดยสัจจะเนี่ยไม่คุ้มกันยิ่งเราเองเรา หลอกไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจรับของเขามาแล้วก็ไม่ให้เขากเหมือนกันนั่นแหละก็บอกเราก็กินบุญเขาไม่ใช่กินบุญเขาเรากินบุญเรากินบุญเราโดยเราไม่มีอะไรตอบแทนเขาไม่มีเขาให้เราเราก็ไม่มีอะไรให้เขาได้แต่รับของเขารับรับรับรับป่ามันก็เต็มมันก็ล้นราคาบุญราคาบาปมันแพงอย่างที่กล่าวแล้ว ถ้ายิ่งหลอกไปด้วยเลยบาปนั้นก็ทวีคูณบาปนั้นก็ทวีคูณเพราะฉะนั้นเป็นสมณะก็จะต้องมีคุณค่าประโยชน์ต้องมีสมาอาชีพต้องมีการกระทำงานทำงานถ้าเผอว่าเข้าหลักของพระเจ้าแล้วมันก็ทำงานธรรมดานี่แหละสังคมเป็นสังคมพุทธช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นเขา จะมี ร, รมกริยาอะไรอย่างน้อยก็เทศสอนบอกค้นคว้าอะไรควรจะเอามานำมาสอนมาบอกกันเป็นพระธรรมกึกึกควรจะแนะนำกันอย่างไรก็สอนอย่างไดพวกเรามันมีองค์ประกอบเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไกลชิดมีมากมีไม้มีคนฟังทมอยู่ตลอดเวลาจะสอนเมื่อไรก็ได้หรือทำงานทำการอะไรด้วยกันช่วยเหลือ ก, กันรังสรรไปในแวดวงของอ ทางด้านสมณะเองช่วยสมณะหรือว่าช่วยกันทามันไม่ถึงการรับใช้แต่ว่าก็เกื้อคูลกันอยู่ในขอบเขตของวิ น, นัยอะไรต่างๆซึ่งเป็นสังคมที่อบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่ย่าตายายเหมือนผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ด้วยกันอย่างรู้จักสมาคารวารู้จักหน้าที่รู้จักกิจรู้จักสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา สร้างบุญสร้างกุศลได้มากมายยิ่งทุกวันนี้ตมาเห็นวงจรของพวกเราอยู่เป็นอยู่กันเนี่ยมันครบครันถ้าเราเอาแต่หยุดเอาแต่หนียวแต่เลี่ยงก็ได้วันวันคืนคืนก็ผ่านไปแล้วเร็วแล้วเกินวันหนึ่งถ้ายิ่งเรามีงานมากแล้วมีโน่นก็นาทำมันนี้ก็น่าสร้างอันนี้ก็น่าช่วยอันนู้นก็สำคัญอ่าแล้วเราก็รู้แวนวงกว้างขึ้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักบริษัท รู้จะกกลุ่ ม, มคนถ้าเราอยู่กับกลุ่มหมู่สองคนสามคนกับบริษัทเล็กๆถ ก, กวางขึ้นมากขึ้นหาคนสิบคน2ี่สิบคนยิ่งหลายที่หลายกิจหลายการหลายงานก็เป็นบริษัทที่หลายบริษัทหลายแผนกหลายกลุ่มนั่นเองบริษัทหรือกลุ่มหรือหมู่หรืออะไรที่มันมีความแตกต่างออกไปกว้างขึ้นหลากหลายขึ้น เราก็สามารถมีโลกที่โตขึ้นโลกกวิทรูวุลพหูสูตรความรอบรู้ก็มากขึ้นรู้จักโลกมากขึ้นรู้ความซับซ้อนรู้อัฏฐารู้ธรรมะต่างๆยิ่งยิ่งขึ้นรู้ความซับซ้อนรู้เชิงชันรู้ธรรมะเนี่ยธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปเน้นํามละเอียดละอทุกอย่างครบครันแล้วก็รู้แกนรู้เป้า รู้ระดับต้นกลางปลายรู้ระดับดีที่สุดดีรองลงมาหรือไม่ดีกว่าดีกว่าอะไรรู้ละเอียดละออขึ้นไปตามภูมิปัญญาที่แท้จริงเราจึงเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่รู้ทั่วพระูสูตรนี่คือรู้รอบรู้และไม่ใช่รอบรู้แต่เฉพาะท่องภาษา พระสูตไม่ใช่รู้แต่ท่องภาษามัน ร, รู้รู้มากขึ้นเขาแปลว่าพระหูสูต ร, รู้มากขึ้นก็จริงรู้มีความรอบรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สภาวะธรรมรู้ความเป็นจริงรู้สัจธรรมรู้แล้วก็ทำได้รู้แล้วก็ทำได้จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ตนก็คือตัวเราเองก็ลดละกิเลส ข, ของเราเองตัวเราเองก็จเจริญขึ้นมีสมรรถภาพมีความสามารถที่จะก่อบุญ ที่จะสร้างความดีงามที่จะชําระ ก, กิเลสสองด้านเท่านั้นนะด้านหนึ่งก็ชำระ ก, กิเลสเราอีกด้านหนึ่งเราก็เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกเป็นผู้เป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกกันนาดได้จริงๆนี่เป็นคนประเสริฐเป็นคนวิเศษเป็นคนดีก็ไม่มีอะไรที่คงไม่ประหลาดอะไรที่อาตมาอธิบายเราก็รู้ในยะพวกนี้อยู่จริงๆเพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีอยู่จริงๆยิ่งหมดประโยชน์ตนเท่าไหร่หรือประโยชน์ตนที่ลดละกิเลสนั้น เป็นโสดาสกิทานาคาขึ้นไปเท่าไรยิ่งเป็นผู้เจริญโดยประโยชน์ท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งหมดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งประโยชน์ตนหมดเลยก็เหลือแต่ประโยชน์ท่านมากมากอย่างเดียวมีแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวประโยชน์ตนอีกต่อไปก็คือสมรรถนะของเราก็ยิ่งเจริญยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอะไรเพิ vlogging, ่มขึ้นก็ยิ fi, father, ่งมีแต่ประโยชน์ท่าน จะชำนาญยิ่งขึ้นก็ชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่สัตว์โลกให้แก่มนุษย์โลกเป็นพระโลกกนธาที่จเจริญขึ้นประโพธิสัตย์ประโยชน์ตนที่ได้ก็คือความชำนิชำนาญความแคล้วคล่องความเป็นพระหูสูตความเป็นโลกวิทูความเข้าใจมนุษย์โลกสัตว์โลกได้ยิ่งขึ้นและก็มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์า ง, งานการจเจริญด้วยกรรมกรรมกิริยาต่างๆรอบรู้ทําเป็น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นไปไปทาอะไรอะ่ะตัวเองก็หมักน้อยสันโดดแล้วตัวเองก็พออยู่แล้วถึงยังไรก็มียิ่งมีคนจะนับถือบูชายิ่งมีคนจะให้ไม่ต้องกลัวตายยิ่งขึ้นเลยมีอะไรอะไรก็ไม่ขาดไม่แคลนมีแต่จะอุดมสมบูรณ์มีแต่จะซับมากจะมีคนมาทำทานมาบริจาคคนมาเคารพนับถือ เราก็น้อยแล้วพอแล้วรู้ที่จบแล้วกินก็ไม่มากใช้ก็ไม่มากเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วแล้วก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งมีผู้อยากให้อย่างยิ่งบริสุทธิ์ใจให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างเชื่อมัน่นเราก็ยิ่งจริงก็ยิ่งดีก็ยิงย่งทำก็ยิ่งเห็นแล้วคนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นผู้ที่เออแม้จะได้รับทานมีคนมาทาทานทาบุญมาก ก็ยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งมีอาชีพยิ่งมีการงานยิ่งมีความช่วยเหลือยิ่งมีอะไรที่เพ้นเป็นรูปธรรมเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความเกื้อกูลมีผู้ช่วยกันเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักบริหารจัดแจงสังคมกลุ่มหมู่สร้างการงานสร้างระบบสร้างชุมชนสร้างหมู่กลุ่มสร้างมนุษย์ชาติ นี่เราก็มีรูปพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆสภาพพวกเราก็สามารถเกิดเป็นเป็นหมู่กลุ่มพุทธบริษัทพุทธบริษัทที่เจ้าก็ตั้งแยกหน่วยแยกกลุ่มแยกการงานแต่ก็ประสานอยู่ในตัวกลุ่มมูชาวอาริยะก็จะมีอริยะเป็นหลักจะมีคนเลวปนอยู่บ้างเมือเอาจริงๆแล้วก็กเป็นอย่างนั้น แทกแซมอยู่ยิ่งคนมันเคลื่อนไหวก็ยิ่งจะแทกแซมมากขนาดต้นไม้มันเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่กระที่มันยังแทรกแซมกันอยู่ทั้งเยอะต้องแยะแทรกอยู่แซมอยู่มันขนาดมันไปไหนไม่ได้แล้วคนมันเคลื่อนไหวก็หากันไหลไปไหลมาปนเปกันไปมามันก็แทรกแซมโดยคนชั่วคนดีถ้าเรามีคนดีมีจํานวนอํานาจมากพออันนั้นมันก็เป็นตัวนํา เป็นตัวมีฤทธิ์แรงที่จะนำพาอันอื่นเปลี่ยนแปลงไปหรืออันอื่นก็เป็นตัวเสริมหนุนไม่ใช่เป็นตัวทำลายอะไรที่มีอำนาจใหญ่มีกำลังใหญ่ก็เป็นตัวนำเป็นตัวที่จะเกิดเจริญอันอื่นก็กลายมาเป็นตัวเสริมหนุนนะถ้าเราแม้ว่าเราเองในเรามีกำลังอำนาจอันนั้นในตัวอยู่กับหมู่อื่นใหญ่มาก แต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองที่มีฤทธิ์มีอํานาจมีอินทรีย์พละอันอื่นก็กลืนเราไม่ได้เราไปเสริมหนุนเขาไม่ได้เสริมหนุนนี่เข้าไปเป็นไปอย่างพวกเขาเป็นผีเป็นชาวนรกเป็นโพวกทีเป็นโพวกทีดำเนินชีวิตไปนในทางเสื่อมเราเองมีกําลังรู้จักความเสื่อมจนกระทั่งไม่ตกไปความไปตกไปกับความเสื่อมนอกจากไม่ตกแล้วยังสามารถทําให้พูดที่เสื่อมหรืออะไรเสรื่อมกลับแปรมาเป็นสภาพอย่างพวกเราเจริญขึ้นดีขึ้น เปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นคือมีโล ก, กุตระโล ก, กุตรธรรมมีธรรมะอันเป็นโล ก, กุตระอยู่ในตัวเราอยู่เนือเนื้ออำนาจโล ก, กียะเนื้ออำนาจความตกต่ําเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นโล ก, กุตระบุคคลมีโล ก, กุตรธรรมอย่างนี้จริงๆอยู่ในโลกแม้มันจะมีจํานวนมากของปุถุชนจํานวนมากของผู้ที่ไม่รู้เรื่องของสัจธรรมไม่มี รธรรมะทศชาอะไรไม่มีโลกุตระศัจอะไรแล้วเราก็สามารถเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราไม่ตกต่ํานอกจากไม่ตกต่แล้วยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นเจริญขึ้นมาอย่างเราเป็นด้วยความสามารถไม่ทะเลาะเบาะแวงมีสามัคคีทําอยู่กันได้เป็นสมาน ก, กันกับโลกก็ได้โลก กลับจินดียกจ้องเชิดชูบูชาเคารพนับถือดิซัมทุกวันนี้อโศเราก็ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นยิ่งนานวันเขายังไม่มั่นใจที่เรามาทำงานนี่อาตมาขอบอกกับพวกเรานะบอกกับพวกเราเลยว่าโล ก, กุตรธรรมมันหายไปมันไม่มีคุณสมบัติแบบโลกุตระแบบแท้ๆที่เป็นอริยธรรม เป็นธรรมะแบบประเสริฐจริงๆมันมีแต่ธรรมะปุถุชนโลกียธรรมมันไม่เป็นโลกุตรธรรมพอเรามาทํำเข้ามาปฏิบัติมาประพฤติลดละนายคลายเป็นสภาพพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครไกลๆกันดีกว่ากันเล็กๆน้อยๆเขาดูไม่ออกต้องดูดีจัดๆอัตมากรพาทำตั้งแต่จัดๆมีสภาพที่เข้มขน้น จนกระทั่งมันคนละเรื่องกันเหมือนคนละเผา่าคนละพันคนอะไรน้อยซะจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาก็จะไม่เชื่อมันแกล้งคนเราไม่ติดไม่ยึดบักน้อยสันโดษยิ่งเป็นคาราวาสแล้วก็ต้องเป็นอย่างโลกๆเป็นคนที่น้อยๆไม่ลหลงไหลได้ปรุงกระลูกรถกลึ่นเสียงสัมผัสไม่ลหลงไหลได้ปรุงกระลาบยศสันเริญ ต่างๆอะไรที่เขาเป็นกันไม่อร็ศอร่อยไม่หลงไหลเป็นความสุขโลกียะสุขกับเขาเราต้องทำให้เด่นชัดจัดจ้านเขาถึงจะเห็นได้เห็นได้เขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็หาว่าดัดจริตเขาก็หาว่าสร้างภาพจอมสร้างภาพมาอวดอ้างลึกๆเขาก็รู้เหมือนกันว่ามันดีที่จริงเขาก็ว่าจอมสร้างภาพแล้วดีนะแต่เขาก็ไม่เอาตามเขาก็ว่าดัดจริตแกล้งมาหาเสียง มหาเด่นหาดังหาโก้เฉยๆแรกๆเขาจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเวลากับความจริงเราเป็นอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้แหละเราว่าดีมักน้อยสันโดษอย่างนี้เป็นคนประหยัดมัธยัติเป็นคนที่ไม่โกรธโมโถสันไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนมีชีวิตอย่างนี้แหละดีเราก็ส่งสภาพนี้ไปเพราะงั้นนับวันนับเดือนนับปีไปเรื่อยๆหาปีสิบปียี่สิบปี สาปีและมันก็เป็นความจริงที่เราจริงไหมเราจริงเราพิสูจน์ยืนหยัดเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้จนกระทั่งยิ่งฝึกปรือมเข้าไปเราก็ชำนิชำนาญฝึกปรือมเข้าไปก็ยิ่งเกิดยานเกิดความแข็งแรงเกิดทั้งเจโตเกิดทั้งปัญญาปัญญาก็ชัดเจนความเชื่อมั่นสัจทินรีสัจ ธ, ธาระละปัญญาก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังสอดคล้องทำให้เรานี่ยิ่งมัน่นคงยิ่งตั้งมัน่นยิ่งเป็นสภาพ เที่ยงแท้นิยตะจริงจังอย่างนี้จนกระทั่งคร่องแคล่วชำนิชำนาญเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นตัทตาจนแข็งแรงมั่นคงเป็นจนกระทั่งจบถ้าจบเมื่อไรก็เป็นอัตถธตาก็เป็นอวิทธตาอาวิตตะนั่นแหละอวิตทธตานั่นแหละอะกวินี่มันเติมก็ หน้าตัวตระทตาก็ไปทวิทะตาก็มันก็เติมเข้าไปขนาดหนึ่งแล้วตระทนี่แปลว่าความจริงความจริงอันใดเราได้ความจริงอันนั้นตาเนี่ยเป็นคําที่ขยายให้เป็นคํานามเท่านั้นเองเป็นความเป็นความมีความเป็นความมีในอะไรความเป็นความมีในความจริงอันนั้นวิกรดิ่งซ้ําเลยว่าอะไรที่ไม่ก็เอาออกอะไรที่ยิ่งก็ทําให้เจริญขึ้นวิเนี่ย จนกระทั่มันเป็นอย่างนั้นอวิทัตตาก็คือไอ้อย่างนั้นที่มันเป็นเช่นนั้นเองนั่นแหละมันเป็นยิ่งยิ่งยิ่งแล้วอวิทัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างไม่เป็นไม่มีผิดไปจากนั้นอวิทัตตาไม่ผิดไปจากนั้นอีกเลยเป็นอย่างนั้นจังนั้นเป็นเช่นนั้นอยู่ไม่ผิดไปอนันญตาไม่เป็นอนื่นไปจากอั น, นั้นนี่ย้ำขยายความเป็นเช่นนั้นอย่างแข็งแรงนิยตะ ขยายความเป็นนิยตตาแม้จะมีอิทับปัจจยตานี่ปฏิจจสมุปบาทสที่มีตถทตาอาวิธตาอนัญญตาอิทับปัจจยตาสอันเนี้ยเรียกว่าธรรมะเช่นนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นตัวลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่นะถ้าเผื่อว่าเราทําอันนี้ให้ จะเรินจริงอย่างที่อาตมาเน้นหมายไปหาความเป็นปรมัติหรือความเป็นวิมุตตินิพพานเพราะปฏิจจสมุปบาทอันนี้มีเหตุมีปัจจัยอิทัพปเจตาวิชาเป็นเหตุเราทาจนกระทั่งสมบูรณ์แต่ก่อนมันมีอวิชาจนเราพยายามปฏิบัติจนกระทั่งพน้นอวิชาสังโยชน์ได้ในเหตุดใดปัจจัยใดก็ได้คุณเอามาใช้ สูตรเหล่านี้เอามาเทียบเอามาอ่านสภาพธรรมที่เราเป็นจริง <Yeah. S 1> เมื่อเป็นวิชาแล้วมันก็เป็นเหตุทําให้เกิดผลเป็นสังขารแต่ก่อนนี้เป็นอวิชา <Yeah. S 1> ไม่รู้เรื่องไปตามโลกตามโลกีไปตามภาษาของมันโ ง, ง, ง่มันก็เป็นสังขารเป็น เป็นสภาพสังขารที่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญเป็นอะไรไปตามเรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องสังขารก็คือสังขารยังไม่มีปัญญารู้เรื่องอะไรเพราะมันไม่ไม่เป็นวิชามันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นญาณมันไม่รู้มันสอกสอกไปตามโลกเขาพาเป็นอะไรมันก็งงเงาไปกระโลกอยู่อย่างนั้นไม่อยู่เหนือไม่ได้มีวิจารยานไม่ได้มีความรอบรู้ไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีความเป็นใหญ่ในตัวเราอยู่เหนือชัดเจนไม่รู้จักสังขาร จนเรารู้จักสังขารจนกระทั่งเราดับดับสังขารที่เป็นอะปุญญาพิสังขารจนกระทั่งเป็นปุญญาพิสังขารหรือเป็นวิสังขารจนเป็นวิสังขารเป็นสังขารที่อยู่เหนือไอที่ไม่ต้องการให้สังขารไม่ต้องการให้อะไรเข้ามาร่วมสังขารคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเข้ามาสังขารร่วมเลยเราก็เป็นผู้ที่ มีสังขารอย่างวิเศษเรียกว่าวิสังขารเพราะมันจะปรุงเราก็ปรุงอย่างมีปัญญาเราเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าควบคุมจิตวิญญาณจิตสะอาดบริสุทธิ์ให้ปรุงเป็นผู้สร้างสังขารหรือสร้างนั่นแหละสร้างสารร์ประกอบจะคิดจะพูดจะกระทําการงานจะมีเป็นอาชีพอะไรก็สังขารอย่างดีเลย มีสังขารเป็นวิญญาณเป็นจิตนั้นที่เป็นจิตดีวิญญาณดีจิตวิญญาณที่ดีมีนามรูปรู้จากองค์ประกอบของส่วนสองส่วนนามกับรูปสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่ญาณปัญญาเป็นตัวควบคุมมีนามรูปมีอายตนะปฏิจสมบัติอยู่เหนือมันมาเรื่อยนามรูปก็เปาก็สามารถสร้างเราเป็นพระเจ้าจิตวิญญาณที่ควบคุมโดยวิชานี่เป็นพระเจ้า เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างเพื่อให้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อบาเรอตนตนเองอาศัยกินอาศัยใช้อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเราเราเป็ น, เ ป, นเป็นสิทธิของเราเราทำเป็นของเราจริงๆโดยสัจจะแล้วเราก็บิแบ่งกินแบ่งใช้เป็นคนที่ไม่ได้เก็บกอบโกยสะสมอะไรอาศัยใช้อาศัยกินอยู่ในนั้นแล้วเราก็เกลือกูลแบ่งแจก เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆยิ่งสร้างาได้มากก็ยิ่งเป็นคนที่มีบุญมากมีคุณค่าประโยชน์มากอย่างแท้จริงเรารู้ต่อสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะหกอายตนะนอกอายตนะในมีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการสัมผัสแต่ต้องมีผัสสะมีปัสสาะก็รู้จัก สิ่งที่เกิดจากผัสสะเป็นอายตนะในมีรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็เข้าใจวิจัยวิเคราะห์ในสิ่งสัมผัสที่มันเกิดรูปอารมณ์ศัทธารมหรือเกิดอารมณ์ทางจิตขึ้นมาอย่างไรก็รู้หมดในอายตนะเหล่านั้นวิจัยอารมณ์เหล่านั้นออกอะไรคือตัณหาที่เกิดในผัสสะผัสสะแล้วก็ไปเกิดอารมณ์ต่างๆตั้งแต่โภทภารม คือสัมผัสทางนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทางนอกเป็นโทภทภอารมณ์หรือสัมผัสทางในเป็นอารมณ์ทางในเรียกว่าธรรมารมณ์อ่านวิใจัยในพบพบนอกพบในอ่านออกหมดนายในในนอกนอกเวทนาอย่างไรผัสสะมีเวทนาอย่างไรแล้วก็เกิดตัณหาอย่างไรอุปทานอย่างไรมีวิชาเนี่รู้หมด วิชาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงปัญญาญาณ น, นั่นแหละวิชาที่พูดแต่ต้นเราเราจะต้องมีปัญญามีความฉลาดหรือมีญานมันจะมีเกิดจเจริญจนกระทั่งอยู่เหนือชั้นสภาพ ภ, ภาษาพวกนี้ที่บอกไว้ภายในปฏิจจสมุปบาทรู้ความจริงของบัญญัติเหล่านะั้นว่าอะไรหมายถึงอะไรสังขารหมายถึงอะไรนามรูปหมายถึงอะไรอายตนะหมายถึงอะไรผัสสะหมายถึงอะไรเวทนาหมายถึงอะไรตัณหาหมายถึงอะไรอุปาทานหมายถึงอะไร จนมันไปตกเป็นภพเป็นชาติภพมันเป็นอย่างไรภพภูมิที่พูดถึงแต่ตนรู้ว่าภพนี้สะอาดภพนี้ไม่ใช่ภพนรกไม่ใช่ภพโลกีแต่เป็นโล ก, กุตระภพเพราะไม่มีภพที่เราจะไปติดไปยึดเป็นธาตุเราเป็นนายเราเป็นพระเจ้าเราเป็นผู้ที่สร้างภพสร้างโลกเป็นผู้สร้างโลกสร้างภพสร้างภูมิเอง สร้างเองเราให้มันเกิดเกิดอย่างที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะเราสร้างเพื่อให้ผู้อื่นเราไม่ได้ติดยึดในพบในภูมินี้ไม่ได้ลหลงไหลได้ปลืมในพบนี้มีชาติมีความเกิดมีความเกิดที่เราเป็นผู้ให้เกิดชาติเราไม่ติดพบนี้เราปล่อยพบได้เราก็ดับพบได้ดับชาติได้ ส่วนโสกับปริเทวทุกขโทมนต์นั้นไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดเลยเราดับไปแล้วปกิณกะทุกอย่างนั้นเป็นทุกขที่เรารู้เท่าทันเป็นทุกที่เราดับสนิทเพราะงั้นพระอริยเจ้าสูงในระดับอนาคาก็ยิงจะรู้จักพวกนี้ชัดแล้วก็ดับส่วนเศษที่เหลือไม่มีเศษเสี้ยวของโศกัปริเทวทุกขโทมนต์อุปายาสะไม่เหลือเกลี้ยงดับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นผู้คุมชาติคุมพพ หรือจะตัดภพบจบชาติก็ตัดได้ดับภพบได้จบชาติได้อุปาทานก็เป็นสมาทานเป็นผู้ยึดถือมีสมาทานอะไรก็สมาทานเองเลยเราจะมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กระทาโดยหลักโดยเกณฑ์อย่างนี้สมาทานกุศลต่างๆสมาทาน เพราะฉะนั้นตัณหาก็เป็นวิภาะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นความปรารถนาดีเป็นความต้องการดีเป็นอุดมการณ์ใหญ่แม้แต่วิภาวะตัณหาก็ดับตัณหานั้นได้สมาทานก็เลิกสมาทานได้จบความยึดติดได้ไม่ได้ช่วยติดช่วยยึดไม่ได้เป็นสภาพอุปาทานหรือว่าเป็นความติดยึดยึดมั่นถือมั่นอะไรปล่อยได้คลายได้วางได้เลิกได้ อยู่เหนือสมาทานอยู่ไม่ได้เป็นอุปาทานของตนอะไรช่วยไว้ได้อาทานไว้ได้แต่อาทานอย่างผู้มีสมะมีวุปสมะสมะนี่เป็นตัวสมบูรณ์เป็นตัวจบเป็นตัวสงบระงับเพราะเราเป็นสมณะเราเป็นสมณะแล้วเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นสมณะที่สี่หรือเป็นสมณะที่สามก็ หย่อนลงมาหน่อยสมณะที่สองก็เป็นแข่สกิทาคามีสมณะที่หนึ่งก็เป็นโซดาบันถ้าเป็นเป็นสมณะสมบูรณ์เป็นสมณะที่สี่ก็เป็นสมณ ะ, มะแล้วสมาทานได้ตัณหาความต้องการปรารถนาดีก็เป็นตัณหาที่เราสร้างมันเองจะเรียกว่าตัณหาก็เป็นภาษาซ้ำหน้าเกลียดเรียกว่าชันทะก็ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความยินดีปรารถนาดีเรยอ สร้างเอาว้จรต่างๆเป็นอากังขาวจารณาเรียกอากังขะก็ได้อากังขาวจรอิจฉาวจรก็ได้เป็นความปรารถนาขอาต้องการกลางๆและก็รู้ด้วยว่าเราปรารถนามาเพื่อตัวเพื่อ ต, อตนหรือไ ม, ไม่มีตัวมีตนแล้วเราไม่ได้ปรารถนาเพื่อตัวเพื่อตนเราปรารถนาอย่างโลกนี้ให้เราเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ช่วยหรือเขาเราพอจริงๆ เรามากน้อยสันโดษเราพอยังไงก็พอเข้าใจอยู่ว่าเราเองเราเป็นผู้เปลืองผู้ผลาญอะไรจริงๆเป็นผู้ให้พอรู้เ่าทันหมดผัสสะควบคุมผัสสะได้เป็นผู้ที่ดับผัสสะได้แม้แต่ผัสสะมีไว้ดับผัสสะก็ไม่ใช่ภาษาเป็นดับไม่ให้มีผัสสะอะไรกลายเป็นคนปิดหูปิดตาปิดทวารกลาไม่ใช่ไม่ได้ปิดหมดไม่ได้ปิดทวารกลาท ว, วารกลาคืออะไรรู้ไหม นับเก้าทวานได้ไหมน่ามีหกแล้วอะไรอีกกายวาจาใจปิดทั้งก ร, รมปิดทั้งตาหูจมูกดิ้นกายใจปิดหกเลยเลวัตถ awan เก้าปิดหมดทวานตาหูจมูกดิ้นกายใจก็ปิดได้วดิแถมปิดถวานก ร, รมก็กายกรรมก็ดับวจีกรรมก็หุบปากจิตก็ดับ เป็นอสัน ญ, ญีนี่เรียกว่าพระปิตวาลก็เราจะปิตวานอย่างนั้นก็ศึกษายากจะปิตวาลก้าวเพื่อพักผ่อนก็เอาได้แต่ธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ยงตื่นยอ่อมดหลับยอ่อมตื่นยอ่อมหลับหรือยอ่อมพักยอ่อมเพียนเป็นธรรมชาติราพระผู้ที่มีปฏิจสมุมบาติาที่อัตมาว่าเนี่ก็รู้เท่าทันหมด ตาหูจมูกลิ้นกายไหมเนี่ยมันนั่งปิติวานกล่าวอะไรรู้จักทวารรู้จักอายตนะนะรู้จักนามรูปรู้จักวิญญาณที่เป็นประธานเป็นจิตสะอาดเป็นจิตบริสุทธิ์เราเราจะมีส่วนเหลือไหมหรือว่าหมดส่วนเหลือใดๆแล้วเป็นอรหันต์แล้วสะอาดบริสุทธิ์หมดก็เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาด สังขารก็เป็นสังขารที่เกิดจากยานปัญญาวิชาวิชาสังขารวิญญาณสามเศร้าอยู่กันอย่างชัดเจนเพราะชีวิตประกอบไปด้วยวิชาธาตุรู้ที่เป็นตัวปัญญายาณตัววิชาความรู้กับจิตมีทั้งความบริสุทธิ์สะอาดในจิตมีบทบาทของจิตมีตัวสะอาดเป็นจิตเป็นวิญญาณวิญญาณ น, นางนิทัศนงานั น, านตังสปตโตปัง เรายังมีรูปนามขันธ์ฮาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นยานที่มีเจตสิกสามีเวทนาสัญญาสังขารทํญญางานอยู่ทีเดียวเป็นเจตสิกทำงานรู้ต่อทันเวทนารู้ต่อทันสัญญารู้ต่อทันสังขารอยู่เนื้อมันใช้งานมันใช้งานมันอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เราสามารถที่จะมีจิตอันเป็นตัตถต า, ตามีจิตอันเป็น อวิทธตามีจิตอันเป็นอนัญญตามีจิตที่ควบคุมอิทัิปัจจยตาได้ควบคุมได้เลยเพราะเหตุนี <Hawk> ้จึงเป็นผ ล, ลนี้เพราะเหตุนี้ต่อผ ล, ลจึงเป็นผลนี้ผลมีผสมกันเป็นเหตุแล้วก็ไปต่อเป็นผลใหญ่ผลนั้นผลนี้เพราะเช่นนี้จึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผลนี้เพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนั้นมีอิทธิปัจจยตาอย่างสมบูรณ์ควบคุมอิทธิปัจจยตาได้เป็นเถเป็นพระเจ้า เป็นผู้สร้างเป็นผู้ประธานเป็นผู้อยู่เหนือโลกจริงๆเรามีสังคมเรามีคนชนิดนี้จริงเราก็จะเกิดสภาพของพฤติกรรมต่างๆที่เราได้ควบคุมได้นี่แหละมันก็จะเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมเราแ บ, บ่งเป็นสองกรรมง่ายๆกิจกรรมก็คือการงานทั่วไป ที่จะเป็นการงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ในไปหานอกตัแต่กวาดปัดเช็ดถูล้างส่วมเก็บยกนั่นทานี่ดูแลส่วนที่เรามีส่วนที่จะควรจะดูแลใช้สอยในส่วนใกล้หรือส่วนไกลนะภายในบ้านหรือนอกบ้านเป็นกิจกรรมภายในกิจกรรมสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นการสร้างสรรค์เป็นอาชีพ เป็นงานหลักงานนอกงานในที่ควรจะกระทำเป็นงานทั่วไปทั้งหมดเรียกว่ากิจกรรมส่วนงานพิธีกรรมก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับทำความเจริญเพิ่มเติมเรยกพิธีกรรม พิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมอย่างไรกันแล้วแต่แม้กระทั่งประกอบไปด้วยประชากรหรือว่าประกอบไปด้วยคนทั้งนอกและในมากขึ้นพิธีกรรมตั้งแต่เฉพาะสงเป็นสังฆกรรมกรรมเฉพาะสงเรียกว่าสังฆกรรมเพราะงั้นก็ไม่เอาคารวาสไม่เอาคนนอกอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยว จนกระทั่งถึงกรรมจากสังกกรรมจนกระทั่งเป็นกรรมต่างๆที่ทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่กว้างขึ้นในคนแต่ละระดับออกมาจนถึงเราทํากรรมหรือการพิธีกรรมที่มันร่วมกับประชาชนทั้งหมดทั้งมวลร่วมกับพุทธบริษัททุกฐานะเป็นรูปธรรมจัดเป็นพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดการเจริญทางจิต เพื่อการศึกษาทําให้เกิดจิตวิญญาณที่เจริญเป็นหลักถ้ากิจกรรมและรวมทั้งวัตถุทำสร้งงางเงินสร้งนี่งานน้นผลนี้อะไรที่จะกินจะใช้จะสอยจะสัมพันธ์ทางโลกอะไรต่างๆนัๆ้นกว้างขึ้นจเจริญขึ้นกรรมกิจกรรมก็คืองานการที่รวมกันทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่รวมกันไปหมดส่วนพิธีกรรมก็เน้นมาหาสภาพที่ เป็นการศึกษาหรือการพาให้เจริญเน้นมาทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมถ้าแม้ว่าเราเข้าใจแล้วก็คือการกระทำอะไรกันแล้วแต่กิจกรรมก็ดีพิธีกรรมก็ดีถ้าเราทำเพื่อพระเจ้าอย่างที่เขาใช้ํำนวนยงศาสนาทางนอกเขานะ มันก็จะมีงานที่จัดขึ้นมีรูปมีแบบมีวัตถุให้เกิดผลเน้นมาทางรูปยึดถังส่วนหด ต, ตังก็เน้นมาทางนามถ้าจะใช้ความขยายแล้วยึดถังก็เหมือนธรรมะ ส่วนหุตังก็เหมือนอัฏะเหมือนอัฏถะเหมือนเป้าที่ละเอียดละออเป้าสูงส่งจุดหมายที่ละเอียดลึกเป็นแนวลึกหุตังเป็นแนวลึกเราทำเพื่อที่อย่างทั้งโลกโลกนี่เขาจะขยายกันมาว่าเขาทเาเาเป็นคนเจริญเขาจะทำอะไรก็เพื่อที่จะ ทำถวายพระเจ้าเพราะว่าเขามีพระเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายสุดยอดสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าทําตนเป็นพระเจ้าเราต้องเข้าใจความหมายนี้ให้ได้เราก็ทําตนเป็นพระเจ้าเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเหมือนกันจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างทํามาเพื่อทินนางทํามาเพื่อเป็นทานทํามาเพื่อเป็นผู้ให้เพื่อเพรสละทั้งนั้นแหละเพราะเราทำตนเป็นพระเจ้าทินนังก็คือเป็นพระผู้ให้ เราจะเป็นผู้ให้จะให้ได้เราก็ต้องสร้างเป็นสร้างไม่เป็นแล้วเราเอาอะไรมาให้เขาอ่ะเราไปเอาของคนอื่นมาให้เขาอ่ะยิ่งเอาไปเอาของคนอื่นอันไม่ใช่สิทธิของเราอันเป็นฐานะแห่งขโมยฮะก็ยิ่งไปกันใหญ่สิป ร, ราชิกสิเป็นพระก็เป็นป ร, ราชิกเลยเพราะเราต้องสร้าง เป็นพระก็ต้องมีอาชีพเป็นพระก็ต้องสร้างสร้างขนาดไหนก็สร้างวัตถุก็ยังสร้างไม่ชั่นไม่ใช่ว่าพระทํางานแต่การสอนแต่การพูดทําแต่วิจีกรรมไม่ทํากายกรรมไม่เคยมีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้อย่างนั้นก็ทํากรรมตามควรมีหลักเกณฑ์วิในบอกไว้ทุกอย่างเพราะฉะน้นถา้าเราสามารถรู้ช่วยเหลืออะไรที่ควรช่วยเหลือจะช่วยเหลือต้องประชาชนอะไรลงมือช่วยเหลือได้ลงแรงช่วยเหลือได้ไม่ บิดในที่ท่านตรัสไว้อยู่ในขอบเขตสมเหมาะสมควรก็ทำยิ่งพูดนะยิ่งพูดนะยิ่งบอกยิ่งกล่าวยิ่งอธิบายก็ยิ่งทำเพราะมันก็จะเกิดจารีตประเพณีของกิจกรรมจารีตประเพณีของพิธีกรรมโดยกายวาจาใจอะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์มันก็จะยิ่งจะสอดซ้อนกันขึ้นเรื่อยๆ เรายิดถังเหมือนกับธรรมะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจิตถังนี่จะเป็นรูปแบบเป็นกรรมกิริยาเป็นเรื่องราวของอาชีพเรื่องราวของการงานใดใดใดใขึ้นมาแม้แต่พิธีกรรมก็เกิดเป็นรูปเป็นแบบขึ้นมาและเป้าหมายก็จะหมายถึงทางจิตวิญญาณบวงสรวงหรือหุ่ตังมีเป้าหมายมีอัตถะมีทิศทางมีรู้เนื้อรูแก่น รู้คุณค่ายอดรู้คุณค่าที่เป็นเป็นสาระทะอะไรเป็นปรามัตทะอะไรนี่เรียกว่าอัตทะนึหุตังจะลึกก็ไปหาทางนามมาทำเพื่ออะไรนั่นเองถ้าบอกหุตังก็คือเพื่ออะไรถ้าบอกยิตฐาก็คือองค์ประกอบทั้งหมดและองค์ประกอบทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเพื่ออะไรก็ต้องมีปัญญารู้หุตังแล้วก็รู้รายเลย รายละเอียดของยึดถังของกรรมกริยาของสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์มนุษย์แต่ละฐานะการงานแต่ละสภาพสิ่งผลิตผลผลิตแต่ะระดับถ้ามาทางพิธีกรรมก็จะไม่ค่อยมีผลที่เป็นผลผลิตทางรูปธรรมรูปรูปเป็นผลเป็นรูปมากนะักถ้าเป็นพิธีกรรมจะไม่มีผลเป็นรูปวัตถุ มากมายอะไรถ้าเป็นพิธีกรรมจะเน้นมาทางจิตวิญญาณเน้นมาทางความรอบรู้แต่ถ้าทางด้านกิจกรรมก็จะเน้นมาทางวัตถุเน้นมาทางรูปธรรมมากทุกวันนี้เราก็ประกอบทุกอย่างในสอดคล้องที่อธิบายนี้คือทิฏฐิสิบ หลักแรกเลยทินนังยึดทังหุตังทำอะไรก็เพื่อความเป็นทินนงังเป็นผู้ให้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้เราเป็นผู้ให้ได้เท่าไรเราก็เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่พึ่งของโลกจัางนั้นเท่านั้นเป็นผู้ให้ให้บริสุทธิ์สะอาดก็พูกันม า, มากแล้วว่าให้อย่างไม่ต้องไปต้องแท้ต้องการอะไรมาตอบแทนแล้วมันยิ่งเป็นสัจจะเป็นทินนงังก็คงไม่ต้องอธิบายมาก แล้วการให้มีผลไหมทินนังถ้าใครเห็นว่าการให้ไม่มีผลคนนั้นก็ไม่อยากจะให้ให้ไปก็เอะเท่านั้นไม่ต้องให้อะไรเราจะอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วนี่ไม่ต้องไปให้อะไรคนจะไม่มีกําลังของความรู้แล้วก็ไม่มีกําลังของเจโตที่จะรังสัร น, นี่ก็คือพบของอัตภาพพบชอบหยุดชอบ อยู่นิ่งๆชอบเฉยชอบว่างนั่นก็คืออุปทานชนิดหนึ่งความติดชนิดหนึ่งความยึดถือภบที่ไม่รู้จักการควรพักควรเพียรไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักความควรพักควรเพียนมีพักมากกว่าเพียรซึ่งผิดมันต้องเพียนมากกว่าพักเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมณ ะ, ะผู้สงบแล้วเนี่ย จึงมีอิทธิบาทหรือมีความเพียรเป็นตัวลีลาเป็นตัวบทบาทเป็นตัวกรรมกริยาที่เห็นมาเป็นเครื่องแสดงของความเป็นสมณะพราะสมณะที่หนึ่งที่สองที่3ที่4ก็ยิ่งจะเจริญชัดยิ่งเป็นสมณะที่สคือพระอรหันตาก็ยิ่งจะเห็นเลยว่าโอ้เห็นเลยว่านันองนี้เป็นคนที่มีความภาคเพียรมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการงานการจะเป็นการงานพิธีกรรมหรือกิจกรรมก็ตามแต่พิธีกรรมมันก็มีไม่มากเท่ากิจกรรมหรอก พิธีกรรมก็เป็นส่วนที่เสริมการศึกษาเสริมทางจิตวิญญาณไปตามลําดับไปอยู่มีแม้แต่ประจํามีพิธีกรรมประจําอย่างเรานี่มาทำวัดเป็นประจํามาอภิพาปราศัยกันรับส่วนที่ได้รับคําสอนได้รับการศึกษาเพิ่มเติมได้อบรมฝึกฝนเพิ่มเติมมาในทางจิตวิญญาณมากเลยได้อบรมอะไรอะไรมีระเบียบมีวิ น, นัยมีความพรักพร้อมมีความอดทนรู้จักอะไรควรฝึกฝนควรศึกษา มันสอแล้วมันก็เป็นความเจริญถ้าใครมีอัตตามีตัวกูของกูติดไอ้นวลติดไอ้ น, อนี่มันก็ติดถ้าไม่ติดทุกอย่างพั่งพร้อมกันประชุมพั่งพร้อมกันมีอะไรมีสูตรอะไรมีหลักอะไรมี ก, การกําหนดอะไรกันไว้อยู่ในหมู่ในกลุ่มเป็นยังงนอย่างนี้มันก็มีรูปแบบพิธีมีตารางตารางกิจวัตร ตื่นเช้าเคาะระฆังได้ยินเสียงระฆังมาทำวัดจากทมวัดแล้วเราจะไปทํากิจอะไรต่อเราก็มีตารางของเรามันมีกิจวัตรประจําเลยมีทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมอยู่ในนี้เราก็ดําเนินวิชีวิตของเราด้วยพฤติกรรมกายวาจาใจของเราเนี่ไปกระทาพิธีกรรมกับกิจกรรมจเจริญทั้งสองด้านเพราะนั้นผู้ใดทําครบคันผู้นั้นก็จเจริญเร็วไม่เนินช้า ทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตพระยาชนของพระพุทธเจ้า ก, ก็คือทำอะไรทุกอย่างสอดคล้องกับคําสอนพระพุทธเจา้าก็เป็นคนของท่านด้วยสัจจะท่านไม่ต้องไปจดบัญชีหรอกท่านไม่ต้องมาลงทะเบียนมันอีคนของเราไม่ต้องสัจจะมันจะจัดสัจจะของมันเองผู้ใ ด, ดทําตามถูกต้องมันก็เป็นคนของท่าน ไม่เนินไม่ช้าทุกอย่างเข้าใจมีบัญญาบรญยารู้ว่าโอ้อันนี้จะดีอันนี้ดีครับขนขวายเอาผากเพียรเอาอุตสาหะวิริยะเอาอมีระบบระเบียบพิ ธ, ธีกรรมมีกิจวัตรมีกิจการกิจกรรมอะไรของเราครบคันเรามีรูปแบบอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเราก็ทําให้มันครบไปมันสมบูรณ์ จากนี้ไปเวลาที่จะมามีพิธีกรรมทุกวันเรามีพิธีกรรมทุกวันเรามีพิธีกรรมทุกวันเรามีกิจกรรมนั้ <c oughs> แต่ละกิจกรรมเราก็มีอะไรที่เป็นอาชีพอะไรเป็นกรรมที่เราจะกระทาอะไรเป็นวัจีกรรมอะไรเป็นมนโนกรรมอะไรเป็นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรเป็นอาชีวะถ้าเรารู้ละเอียดพวกนี้แล้วเราก็ทําไม่ขาดเมื่ขาดตกบกพร่อง ทิ่งทำได้เต็มได้ครบได้ดีอย่างความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรทํามุนนะเพราะการเป็นอยู่ในวัฏ ต, ตะหรือว่าในวงชีวิตในสังคมของกลุ่มพวกเราเนี่ยจะต้องมีความฉลาดใ น, นที่อาตมาขึ้นตน้นว่าคนเราต้องฉลาดเพิ่มขึ้นมีปัญญามีญานยานลึกซึ้งละเอียดขึ้นที่เราจะรู้ความเจริญเจริญคืออะไรสิ่งที่มันด้อยเราก็ลด จนกระทั่งมันเจริญมัเป็นความาพัฒนาขึ้นไปได้จริงๆมันจะเป็นสังคมตัวอย่างมันจะเป็นมนุษย์ตัวอย่างทุกวันนี้มันก็ค่อยๆเป็นไปมันเหลือแต่ว่ามันมีกิเลสซ้อนที่เราเห็นแก่ตัวเราเอาหลบเลี่ยงพัก มันก็เลยขี้เกียจไอ้โลกเนี้ยโรคแทรกอัตมา ถ, ถึงบอกว่าไอ้ขี้เกียจนี่นะมันตั้งแต่เป็นอบายมุกยันพระอริยะระดับที่จะจบสุดจะเห็นได้แล้วโอ้อยังงี้เราเรียกว่าขี้เกียจนะอย่างนี้เรียกว่าขี้เกียจนี่เรียกว่าเห็นเกีตตัวนี่เรียกว่าหลบเลี่ยงอย่างนี่มีภพมีอัตตาอ้ยังมีภพมีอัตตาของเราอ่านก็ไปดีๆเถอะมัน ล, ลึกซึ้งละเอียดเพราะนี่เรายัางขี้เกียจอยู่เนี่ยเราไม่ขนขวายพอ นี่เรายัางเลี่ยงยังหลบยังแช่ไม่กระปี้กระเป่าไม่มีชั้นทวิริยาจิตวิมังสาจเจริญไม่เป็นอิทธิบาทมันไม่จเจริญด้วยอิทธิบาทจริงจริงคุณจะมียานปัญญารู้เลยถ้าแต่ละคนมีปัญญาญามีปฏิภาณพวกนี้และพัฒนาสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์พวกนี้ให้สมบูรณ์ได้มันก็จเจริญขึ้นสอดคล้องอาตมาถามทีไรก็บอกก็ตอบตรงกันทุกทีเพราะงั้นพัฒนาเถอะญาจะไปหมักหมกย่าไปพอ พอแค่นี้แล้วหลักแค่นี้เราก็สบายล้วก็มีบุญมากแล้ววันวันหนึ่งบุญก็ต้องเยอะแล้วอ่ะออสันโดดกับบุญเนะสันโดดสะดวกกับกุศลน่ะขณะพระพุทธเจ้ายังไม่สะดวในกุศลเลยอ่ะเอาละวันนี้ก็พูดเลยเวลามาพอสมควรนะ